ธรรมบทแปลเรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพมากภาคที่ห้าเรื่องที่หนึ่งยี่สบพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในปาอิสิปัตนะมรุกะทยวันทรงปรารพ บ, บุตรเศรษฐีผู้มีทรัพมากรพระธรรมเทศนานี้ว่าพระจะริตวา พระมจจาริยังอลัลทาโยภเนธนังชิ น, นะโกนจาวะชายันติขีนะมัดเฉวปันละเลอาจาริตวาพระมจจาริยังอลัลทาโยปเนธนังเสนติจาปาติขีนาวะปุรานานิอนุทุนังแปลว่า พวกคนเก่าไม่ประพฤติประมจันไม่ได้ทรัพย์ในคร่ายังเป็นหนุ่มสาวย่อมซบเซาดังนกกเรียนแก่ซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดปลาฉะนั้นพวกคนเก่าไม่ประพฤติประมจันไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพเกา่า เหมือนลูกสรที่ตกจากแร่งฉะนั้นดังได้สดับมาบุตรเศรษฐีนั้นเกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติ8ปสบโกดในกรุงพระนศีครั้งนั้นมารดาบิดาของเขาคิดว่าก็ในตระกูลของเรามีกองโพคะเป็นนันมากเราจะมอบกองโพคะนั้น ไว้ในมือบุตรของเราทำให้ใช้สอยอย่างสบายกิดด้วยการงานอย่างอื่นไม่ต้องมีดังนี้แล้วจึงให้เขาศึกษาศิลปะสากว่าการฟ้อนการขับและการประกมอย่างเดียวก็ในพระนคร น, นั้นแลแม้ทิดาคนหนึ่งก็เกิดแล้วในตระกูลอื่นซึ่งมีสมบัติแปดสิบโกศเหมือนกัน มิดามานดาแม้ของนางก็คิดอย่างนั้นแล้วเหมือนกันแล้วก็ให้นางศึกษาศิลปะศักว่าการฟ้อนการขับและการประกคมอย่างเดียวเมื่อเขาทั้งสองเจริญวัยแล้วก็ได้มีการอาวาหะวิวาหะมงคลคือแต่งงานกันต่อมาภายหลังมานดามิดาของคนทั้งสองนั้น ได้ถึงแก่กรรมแล้วทรัพย์160โกดก็ได้รวมอยู่ในเรือนเดียวกันทั้งหมดบุตรเศรษฐีย่อมไปสู่ที่บำรุงพระราชาวันหนึ่งถึง3ครั้งครั้งนั้นพวกนักเลงในพระนกรนั้นคิดกันว่าถ้าบุตรเศรษฐีนี้จะเป็นนักเลงสุราความผาสุ ก็จะมีแก่พวกเราเราจะให้เธอเรียนความเป็นนักเลงสุราพวกนักเลงนั้นก็ถือเอาสุรามัดเนื้อสำหรับแกล้มและก้อนเกลือไว้ที่ฉายพกถือหัวอผักกาศนั่งแลดูทางของบุตรเศรษฐีนั้นผู้มาจากราชตะกูลเห็นเขากำลังเดินมาจึงดื่มสุรา เอาก้อนเกลือใส่เข้าในปากกัดหัวปากกาศแล้วกล่าวว่าจงเป็นอยู่ร้อยปีเถิดนายบุตรเศรษฐีพวกผมมาสัยท่านก็พึงสามารถในการเคี้ยวและการดื่มบุตรเศรษฐีฟังคำของพวกนักเลงสุรานั้นแล้วจึงถามคนใช้สนิทพู้ตามมาข้างหลังว่าพวกนั้นเขาดื่มอะไรกันคนใช้ น้ำชนิดหนึ่งครับนายบุษยเศษีก็มันมีรสอร่อยหรือคนใช้นายธรรมดาน้ำที่ควรดื่มเช่นกับน้ำดื่มนี้ไม่มีในโลกที่เป็นอยู่นี้ตอนเศรษฐีบุตรหมดตัวพระประพฤติอบายมุขบุตรเศรษฐีนั้นพูดว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้เราดื่มก็ควร ดังนี้แล้วจึงให้นํามาแต่นิดหน่อยแล้วก็ดื่มต่อมาไม่หนา น, นักนักเลงสุราเหล่านั้นรู้ว่าบุตรเศรษฐีนั้นดื่มแล้วจึงพากันแวดล้อมบุตรเศรษฐีนั้นก็เมื่อการล่วงไปก็ได้มีบริวารหมู่ใหญ่บุตรเศรษฐีนั้นให้นําสุรามาด้วยซับหนึ่งร่บ้างสองไบ้าง ดื่มอยู่ตั้งกองกระหาปณ ะ, ะไว้ในที่นั่งเป็นต้นโดยลำดับดื่มสุราแล้วก็กล่าวว่าจงนําเอาเดอกไม้มาด้วยกระหาปณะ น, ะนี้จงนําเอาของหอมมาด้วยกระหาปณะ น, ะนี้ผู้นี้ฉลาดในการขับร้องผู้นี้ฉลาดในการฟ้อนผู้นี้ฉลาดในการประโคมจงให้ทรัพย์ 1,000 พันแก่ผู้นี้ จงให้รัพสองปันแก่ผู้นี้อน่งนี้ก็เมื่อใช้สุรุ่ยสุร่ายอย่างนั้นต่อการไม่หนานักก็ยังทรัพแปดสิบโกดอันเป็นของตนให้หมดไปเมื่อเฮรญยิกเรียนตามว่านายทรัพย์ของนายหมดแล้วเสถีบุตรจึงพูดว่าก็ทรัพย์ของปรยาของข้าไม่มีหรือ เมื่อเล่ายิเย้เรียนว่ายังมีอยู่นายเขาจึงบอกว่าถ้ากระนั้นก็ทรงเอาทรัพนั้นมาเศรษฐีบุตรก็ได้ทำทรัพย์ของภรยาแม่ทั้งสิ้นนั้นให้สิ้นไปอย่างนั้นเหมือนกันแล้วขายสมบัติของตนทั้งหมดเกี่ยวกินพื้นนาสวนดอกไม้สวนผลไม้ยานบานะเป็นต้นบาง โดยที่สุดภาชนะเคเรื่องใช้บ้างเรื่องลาดผ้าห่มและผ้าปูนั่งบ้างโดยลำดับตอนเศรษฐีต้องเที่ยวขอทานครั้นในเวลาที่เขาแก่ลงเจ้าของเรือนจึงไล่เขาออกจากเรือนที่เขามีโภค้าหมดแล้ว้ายเรือนของตัวเองแต่ยังถืออาัยอยู่ก่อนเขาพาภรยา ไปอาศัยฝาเรือนของชนเหล่าอื่นอยู่ได้ตือสินกระเบื้องเที่ยวไปขอทานปรารบจะ บ, บริโภคพัดที่เป็นเดนของชนทั้งหลายแล้วเพราะนั้นประศาสดาพรดประเนชเห็นเขายืนอยู่ที่ประตูโรงฉันคอยรับโพชนะที่เป็นเดนอันพิกสูตรนุ่มและสามเณรให้ในวันหนึ่งวันหนึ่ง จึงส่งแยมประโอดลำดั บ, บนั้นพระอนุนเทระทูลถามถึงเหตุที่ส่งแยมกับรพระงพระศาสดาเมื่อจะตรัสบอกเหตุที่ส่งแยมจึงกล่าวว่าอ น, นุเธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากผู้นี้ผานทรัพย์เสียหนึ่งรสบโกรธพาปรยา เที่ยวขอทานอยู่ในนครนี่แหละก็ถ้าบุตรเศรษฐีไม่พลาญทรัพย์ให้หมดสิ้นไปจะประกอบการงานในปฐมวัยก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนครนี้และถ้าจะออกบวชก็จะบรรลุอรหัตแม้ภรยาของเขาก็จะดำรงอยู่ในอนาคามิผลและถ้าไม่ หลานทรัพย์ให้หมดไปจะประกอบการงานในมัชชิมะัยจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สองออกบวชจะได้เป็นอนาคามีแม้ปริยาของเขาก็จะดำรงอยู่ในสกทาคามีผลและถ้าไม่ปลานทรัพย์ให้สิ้นไปประกอบการงานในบัจฉิมะไหวจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สมแม้ออกบวช ก็จะได้เป็นสกัถากามีแม้ปริยาของเขาก็จะดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลแต่เดี๋ยวนี้บุตรเศรษฐีนั่นทั้งเสื่อมแล้วจากโผกะของกฤษฎ์ทั้งเสื่อมแล้วจากสามัญผญลก็แลครั้นเสื่อมแล้วจึงเป็นเหมือนนกกเรียนในเปลือกต้มแห้งฉะนั้นแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า พวกคนเก่าไม่ประพฤติปรมาจันไม่ได้ทรับในราวอยังเป็นหนุ่มสาวย่อมซบเศร้าดังนกกระเรียนแก่ซบเศร้าอยู่ในเปลือกต้มที่หมดปลาฉะนั้นพวกคนเก่าไม่ประพฤติปรมาจันไม่ได้ทรับในครา่ายังเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดถอนใจถึงเรื่องเก่าเหมือนลูกสอน ที่หลุดจากแหล่งฉะนั้นบาลีว่าอาจาริตวาปรมจริยังอลัทธาโยพเนทนังชินนังโกนจาวะชาญาติขีนะมัตเฉวะปันละเลอะอะจริตวาปรมจริยังอลัทธาโยพเนทนังเสนติจาปาติกีนาวะ ปุรานานิอ น, นุทุนังก็ในบรรดาคมเหล่านั้นคำว่าอัจจริตวาแปลว่าไม่ประพฤติหมายความว่าไม่อยู่พรหม จ, จริยวาาคำว่าโยพเนแปลว่าคราวยังหนุ่มสาวหมายความว่าไม่ได้แม้ซับในเวลาที่ตนสามารถเพื่อจะยังโพคะที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้นหรือเพื่อตามรักษาโภคะที่เกิดขึ้นแล้วคำว่าฉีนะมัดเฉแปลว่าที่หมดปลาหมายความว่าคนกล่าวเห็นปานนั้นนั่นย่อมซบเซาดังนกเกรียนแก่มีขนปีกอันเฮี้ยนเกรียนซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่ชื่อว่าหมดปลาแล้วเพราะไม่มีน้ำ มีคำอธิบายกล่าวไว้ดังนี้ว่าอันความไม่มีที่อยู่ของคนเกล่าวเหล่านี้เหมือนความไม่มีน้าในเปลือกตม้มกว่าไม่มีโพคะของคนกล่าวเหล่านี้เหมือนความหมดปลาความไม่สามารถจะรวบรวมโพคาไว้ได้โดยทางน้ำหรือทางบกเป็นต้นในการบัดนี้แหละของคนเกล่าวนั้นเหมือนความไม่มีการโผล่ขึ้น แล้วบินไปแห่งนกเรียนอันมีขนปีกอันเหี้ยนเพราะฉะนั้นคนเก่าเหล่านี้จึงนอนซบเซาอยู่ในที่นี้เองเหมือนนกเรียนมีขนปีกอันเหี้ยนแล้วฉะนั้นคำว่าจ้าปาติขีนาวะแปลว่าเหมือนลูกศรที่หลุดจากแหล่งหมายความว่าหลุดจากแหล่ง คือพ้นแล้วจากแรงมีคำอธิบายกล่าวไว้ดังนี้ว่าลูกศรพ้นจากแรงไปตามกำลังตกแล้วเมื่อไม่มีใครจับมันยกขึ้นมันก็ต้องเป็นอาหารของหมู่ปลวกในที่นั้นเองฉันใดถึงคนเกล่าวเหล่านี้ก็ฉะนั้นหลวงสามไวไปแล้วก็จะเข้าถึงมรณนะ เพราะความไม่สามารถจะยกตนขึ้นได้ในการบัดนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเ้นติจาปาติขีนาวะซึ่งแปลว่าย่อมนอนเหมือนลูกศรที่หลุดจากแหล่งส่วนคำว่าปุรานานิอนุตถุนังแปลว่าทอดถอนถึงเรื่องเก่า หมายความว่าย่อมนอนทอดถอนใจคือเศร้าโศกถึงการกินการดื่มการฟ้อนการขับและการประโคมเป็นต้นที่ตนทำแล้วในการกอนว่าพวกเรากินแล้วอย่างนี้ดื่มแล้วอย่างนี้ดังนี้ในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิปนเป็นต้น ดันงนี้แหละเรื่องบุตรเศรษฐีมีทรับมาก